หลายละเอียดคําปฏิจสมบาตินิดนึงนะยังไม่ยอมจบสักทีเนาะปฏิจสมบาทเป็นการสแสดงเรื่องเหตุเกิดทุกคําว่าเหตุเกิดทุกในที่นี้ถ้าในฉบับย่อเขาก็บอกว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกพอมีตัณหาขึ้นมา บุคคลก็จะมีทุกข์เหนี้คําว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยถ้าตีความว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ใจทุกทรมานใจอย่างเงี้ยเพราะมีตัณหาจึงทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในทางใจถูกต้องไหม ตาเห็นภาพผู้ได้ยินเสียงเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกข์สัมผัสแล้วเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจมันก็ทุกข์ใช่ั้ยใช่ไห ม, ม, มตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ในความหมายของพพุทธองค์เนี่ยคือตัณหาเป็นเหตุเกิดชาติเกิดชาตินะ ดังนั้นไม่จําเป็นว่าพอตาถึงภาพแล้วตัณหาเกิดก่อนแล้วค่อยทุกเกิดหรือทุกใจเกิดเพราะทุกใจเนี่ยเกิดก่อนตัณหาก็มีเกิดหลังตัณหาก็มีทุกใจเช่นตาสัมผัสจําได้ว่าไฟไหม้ทุกเลยเรียกว่าสัญญาเวทนาสัมผัสแล้วจําได้รู้สึกเลยจําเป็นไหมต้องตัณหามาก่อน จเป็นพอสัมผัสแล้วจําได้รู้สึกเลยได้ยินแล้วจําได้รู้สึกเลยพอมีคนมาพูดให้ฟังว่าตอนนี้นะเธอคนที่รักที่สุดกําลังอยู่บ้านของอีกคนหนึ่งนะอย่างเงี้ยพอได้ยินแล้วจําได้ว่าพูดอะไรแล้วรู้สึกเลยไหมรู้สึกเลยนั้นต้องสัมผัสแล้วก็ทําให้เกิดอะไรสัญญาสัมผัสแล้วทําให้เกิดเวทนา ทุกทางใจแรงๆเนี่ยใช้ทุกขเวทนาไหมใช่ไหมทุกนั่นก็คือทุกขเวทนาสัมผัสแล้วทุกขเวทนาเกิดได้เลยไหมก็บเวทนามันเกิดจากผัสสะสัมผัสแล้วก็ทุกเลยต้องรอให้ตัณหาเกิดก่อนแล้วค่อยทุกไหมไม่ต้องรอสัมผัสแล้วจําได้ทุกเลยจําได้ทุกเลยนี่คือทุกขความรู้สึกทุกความรู้สึกทุก เกิดได้ทุกครั้งเมื่อมีผัสสะบางทีเอามาตีผสมกันไปพอตันหาเกิดทุกเกิดตันหาเกิดทุกเกิดมันมันไม่ต้องรอให้ตันหาเกิดทุกเกิดสัมผัสจำได้ทุกเลยยังไม่ทันเกิดตันหาเลยทีนี้พอทุกแล้วเนี่ยทีนี้อะไรค่อยเกิดตันหาใช่ไหมตามลำดับปฏิจตเนี่ยเวทนาเกิดรู้ไม่ทันเวทนาจึงเป็นปัจจัยให้มี ตันหาตันหามาทีหลังทุกข์อีกสัมผัสแล้วจำได้ทุกเลยจำได้สุขเลยจาได้กโดกรธเกลียดกลัวรักชอบได้เลยคือสัมผัสแล้วทำให้มีเวทนาพอไม่รู้ทั่วถึงเวทนาจึงมีตันหาดังนั้นตันหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ในที่เนี้ย ทัานในพระไตรปิฎกจะมีอยู่สองมิติที่แสดงความเป็นเหตุเกิดทุกข์ของตัณหามิติแรกก็คือแสดงถึงความเป็นเหตุเกิดชาติเป็นเหตุที่หล่อเลี้ยงการเกิดตายพอมีตัณหาก็จะทำให้บุคคลนั้นต้องยังมีการเกิดเมื่อมีการเกิดก็คือต้องทุกทุกครั้งที่เกิด ถือเอาอุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกขถือความแก่เจ็บตายเป็นทุกขเมื่อเกิดทุกข์คราวก็เป็นทุกข์ร่ําไปไอสารพัด ท, ทุกข์ร่าไปเนี่ยมีมูลเหตุมาจากเพราะการเกิดและการต้องเกิดเนี่ยก็เพราะมีตันหาดัางนั้นคําว่าเหตุเกิดทุกข์ของพระองค์เนี่ยหมายเอาถึงเจ้าตันหาเป็นเหตุเกิดชาติเป็นคนละอย่างกับ ตันหาเป็นเหตุเกิดทุกขเวทนานะไอ้ทุกขเวทนาทางใจที่ทรมานใจเนี่ยสัมผัสกระทบก็เกิดแล้วไม่ต้องรอให้จิตเกิดความต้องการอะไรกระทบจําได้ทุกเลยจําได้ว่าอะไรคืออะไรเนี่ยทุกได้เลยนะไหลเรื่องไหนเล่าใช่ไหมถ้าทุกเวทนานั้นเกิดจากผัสสะ แต่ถ้าทุกข์ที่หมายาถึงการเกิดตายเนี่ยอะไรทำให้เกิดตันหาตัหายังมีการให้เกิดตายนั้นคำว่าเกิดตายถ้าในโบราณเนี่ยก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเขาท้องกันเลยล่ะเพื่อเจ้ายังอธิบายเมื่อเช้าได้เคยฟังท่านก็บอกว่าการปฏิสนธิจะมีได้ต้องครบองค์ประกอบสามสิ่งคำว่าปฏิสนธิก็คือการ การมาเขาท้องนั่นแหละจะมีได้ต้องครบองค์ประกอบ3มสิ่งคือหนึ่งมารดาต้องผ่านการมีฤดู 2. มารดาบิดาต้องมีการได้อยู่ร่วมกัน 3. ม, มีจิตอันจะเป็นปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอยู่ต้องมีจิตอันเป็นเขาเรียกว่าคันทั พ, พะ จิตที่เป็นจิตปฏิสนธิหรือวิญญาณหรือกลุ่มพลังงานที่ยังดับไม่สนิทเนี่ยต้องเข้าไปตั้งอยู่ร่วมด้วยเมื่อครบองค์ประกอบสมสิ่งมีทั้งขันทพะคือจิตอันจะเป็นกลุ่มของขันที่ค้างค้างและดับไม่สนิทหรือชาวบ้านเรียกวิญญาณปฏิสนธิอะไรเนี่ยเข้าไปตั้งอยู่ด้วยประชุมพร้อมอยู่ด้วยและมารดาก็ผ่านการมีแะดูด้วย และบิดาและมารดาได้อยู่ร่วมกันด้วยเมื่อครบองค์ประกอบสามสิ่งจึงทำให้การปฏิสนธิในคันนั้นเกิดมีขึ้นครบองค์ประกอบสามสิ่งดังนั้นเมื่อในพเนี่ยเด็กที่เข้ามาปฏิสนธิเนี่ยก็จเจริญเติบโตในคันแล้วก็ งอกเนื้อตัวอยู่ในคันมานดาพอเกิดม า, นาเนี่ยก็เรียกพวกนี้พวกกรรมเก่าเนื้อตัวชีวิตนเนี่ยก็เรียกพวกกรรมเก่าถูกสร้างมาแล้วจากต้นทุนเดิมเนื้อตัวของเราเนี่ยเกิดมามีรูปร่างผิวพรรณหน้าตาวันน่าอายุสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยนีคือต้นทุนที่ถูกผลิตมาจากกรรมเก่าบางครั้งท่านเรียกเจ้านามรูปนี้ว่าเจ้าตัวกรรมเก่า เมื่อคลอดออกมาแล้วก็จเจริญตกโ ต, กตกด้วยการดื่มนมมารดาเรียกน้ำนมบรนดาว่าเป็นเลือดเป็นเหมือนทังเลือดของมารดาในพระสูตรนี้บอกให้รู้ว่ายังมีการเวียนเข้าท้องไหมมีนะยังมีการเวียนเข้าท้องแม้แต่อริยเจ้าทั้งหลายอริยเจ้าโสดาบันสกทาคานาคาเนี่ยหรือพระอรหันต ถ้าสราบันบรบรลุถึงคุณธรรมเบื้องต้นแล้วพลังความรู้ทำให้การเกิดจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะมีชาติไม่เกินเจ็ดครั้งอาจจะเหลืออีกหนึ่งชาติสองชาติสามชาติ4ี่ชาติห้าชาติหกชาติแต่จะไม่เกินเจ็ดชาติคนนั้นจะทาที่สุดทุกได้สกาธาคามีก็เกิดอีกหนึ่งครั้ง มีชาติคือการเกิดอีกหนึ่งครั้งอนาคาจะไม่มีการเวียนมาเกิดแล้วแต่ยังไม่อาจทำให้ขันนี้ดับสนิทได้เมื่อขณะยังมีชีวิตอยู่แต่เมือ่อใดกายแตกทำลายลงไปอนาคาก็ยังจะทรงข้งขางค้างการมีอยู่ของขั น, นคือสัญญาเวทนาสังขารให้ทรงอยู่ทรงอยู่ชั้นสุดทาวาส สุดธาสุทธิคคืออาวาสที่สะท้อนความบริสุทธิ์อยู่ชั้นสุดทาวาสดังนั้นการค้างอยู่สุดทาวาสหมายถึงขันค้างอยู่กี่ขันเพราะว่ากายแตกทําลายแต่ไม่ยอมดับสนิทเช่นเดียวกับพระอรหันต์ก็หมายถึงว่าอนาคาร ย, ยังอยู่ไหมยังอยู่อยู่ด้วยการทรงอยู่โดยภูมิของการเป็นโอปปาติกะอยู่ชั้นสุดทาวาส นั้นการทรงอยู่ในสุดทาวาสเนี่ยก็หมายถึงว่าวิญญาณขันยังอยู่วิญญาณขันอยู่ดโดได้ไ้ยไม่ได้ก็ต้องสัญญาเวทนาสังขารก็ต้องยังอยู่นั่นหมายถึงว่าการแตกทําลายแห่งรูปเนี่ยถ้าเหตุปัจจัยยังไม่สมบูรณ์ในทางจะดับสนิทเนี่ยขันยังเหลืออยู่ได้ไม้มได้ไม่งั้นอาณาคาเธอก็ต้อง ดับไปทันทีที่สิ้นชีวิตได้แต่นาคาไม่ดับจะไปดับในระหว่างอายุในระหว่างอายุไม่ต้องมาตรัสรู้ไม่ต้องไปดับที่นั่นเลยนี่เกิดนาคาฉะนั้นบอกให้รู้ว่าขันเนี่ยสามารถที่จะคัง่งค้างได้ไหมโดยไม่ดับไปได้สามารถค้างโดยไม่ดับไปได้ สามารถมีการเวียนมาสู่มาสูคันไดไหมได้ก็พสูตรเมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วว่าการจะกําเนิดของคนเนี่ยเมื่อครบองค์ประกอบอย่างนี้แล้วเนี่ยคันทัพพระมีจิตที่จะเข้ามาตั้งอยู่ในคันมารดาบิดาได้อยู่ร่วมกันมันดาผ่านการมิฤดูมีการประชุมครบสามสิ่งนี้แล้วการปฏิสนธิย่อมมีขึ้นนั้นพระเจ้าได้แสดงถึงการเวียนเกิดไหมว่ามันมีการเกิดได้ นีก็มีการเกิดได้ถูกหจริงๆในพระไตรปิฎกก็เยอะถ้าจะพูดถึงการเวียนเกิดเวียนตายในแบบเข้าท้องเนี่ยทีนี้การเวียนเกิดเวียนตายแบบเข้าท้องถ้าในมุมของพราหมณ์พราหมณ์ก็เชื่อว่ามีการเวียนไหว้ตายเกิดแต่ในคำว่าเวียนไหว้ตายเกิดเนี่ยพราหมณ์มีอีกหนึ่งความเข้าใจ คือเข้าใจว่ามีตัวบุคคลตัวตนมีตัวเราที่ทรงตัวอย่างเป็นอมตะไม่ใช่สิ่งที่จะดับสลายไปกับอะไรทั้งสิ้นคือเชื่อในทางมีตัวบุคคลหรือเชื่อในทางมีอัตตาหรือตัวเรามีตัวเราอยู่ในขันเลยถือเอาจิตเป็นเราแล้วก็กลายเป็นมีตัวเราเนี่ยเวียนว่ายไตเกิด ตัวเราผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านบุญผ่านบาปจะมีตัวเราเนี่ยไปถึงจุดบริสุทธิ์ที่สุดแล้วเจ้าตัวเราซึ่งก็คือจิตเข้าใจว่าจิตคือเราเนี่ยไปอยู่ในภูมิอันเป็นอมตะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยเป็นอันเดียวเป็นอมตะหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยซึ่งมีตัวเราเ็าเรียกบรมมัตตา เป็นตัวบุคคลตัวตนนั้นตัวตนอย่างเงี้ยเป็นตัวยืนพื้นที่ทรงตัวอยู่ที่ไม่อาจดับสลายเป็นสิ่งที่มีอยู่เจ้าอัตตาทุกคนมันมีอยู่และไอ้เจ้าตัวบุคคลเนี่ยรูปร่างของมันก็คือจิตนั่นเองก็เลยถือเอาจิตเป็นเราแล้วเวียนว่ายตายเกิดแล้วไปสร้างความบริสุทธิ์แล้วไอ้ตัวเราซึ่งคือจิตจะต้องบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็ไปอยู่ที่ ที่สักที่หนึ่งซึ่งเป็นอมาตะภาวะที่ไม่ต้องลงมาเกิดแต่ยังอยู่อันนี้คือความเห็นแบบนี้คือความเห็นแบบพราหมณ์พราหมณ์ก็เวียนไวไ่ายตายเกิดถ้าแบบพุทธละ่ะแบบพุทธก็มีเวียนไวไ่ายตายเกิดแต่สอนว่าการเวียนไวไ่ายตายเกิดเนี่ยไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่เวียนว่ายมีแต่ขันทั้งห้าที่ยังมีการก่อ ภาวะการเวียนว่ายวนเวียนอยู่กับการมีอยู่ของขันทั้ง5้านี่หละบนการมีอยู่ของขันทั้ง5เมื่อมีขันทั้ง5แล้วเหตุปัจจัยคือตันหาอุบทานที่มีอยู่เนี่ยการแตกทำลายของขันนั้นคือรูปดับแต่ขันก็จะดับไม่สนิทก็ยังเหลือค้างอยู่อีก4ขันสี่ขันที่ค้างอยู่ก็วนมาสู่การมาเกิดแล้วก็ก่อให้เกิดขันอีกเป็น5ขัน ตาไปก็เหลือสี่ขันการเวียนวนอย่อยางเงี้ยพุทธศาสนาถือว่าไม่ได้มีใครไม่ได้มีตัวบุคคลผู้เวียนไหวมีแต่ขันเท่านั้นที่มันเกิดขึ้นขันเท่านั้นที่มันตั้งอยู่และขันเท่านั้นที่มันดับไปพระพุทธเจ้าบ่าแยกแจกแจงดูจะมาหาเจ้าตัวอัตตาตัวบุคคลตัวตนผู้เวียนหวจริงจริงไปหาในรูปเจอไหมในเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณไม่มีไม่มีตัวบุคคลตัวตนอยู่ในขันและไม่มีอันนี้คือมุมของพุทธศาสนาก็จะว่าด้วยเรื่องการไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราเขาได้แสดงว่าการเกิดตายจะยังมีถ้ายังมีเหตุปัจจัยที่ยังหล่อเลี้ยงการเกิด การเกิดตายจะสิ้นสุดลงถ้าเหตุปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงการเกิดตายนั้นมันดับไปการเกิดจะมีเพราะยังมีเหตุเป็นเครื่องบันดาลให้เกิดอะไรเกิดขึ้นต้องมีเหตุมีแต่ธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดตามเหตุตามปัจจัยดับตามเหตุตามปัจจัยไอ น, นี้คือมุมของพุทธศาสนา ไม่ออกไปทางอุเฉตทิฏฐิคือตายแล้วสูญเ <relevance> ชื่อว่ามีตัวบุคคลก็จะเชื่อว่าตายแล้วตัวบุคคลเนี่ยก็จะสูญไปด้วยเชื่อว่ามีตัวบุคคลก็จะเชื่อว่าตายแล้วเนี่ยตัวบุคคลจะเป็นอมตะยังไงตัวบุคคลเนี่ยก็จะไม่สูญนี่คือเชื่อไปในทางมีตัวบุคคลก็จะก่อให้เกิดความเห็นในทางสูญและไม่สูญ แต่พุทธศาสนามันไม่ใช่ไปทางศูนย์หรือไม่ศูนย์พุทธศาสนาสอนเรื่องความว่างจากการมีอยู่ของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและก็มีแต่สภาวธรรมซึ่งเป็นตัวธรรมชาติล้วนๆที่เกิดหรือดับตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยอยู่การเกิดจะยังมีไหมมีอยู่แต่เหตุปัจจัยดับไปการเกิดก็ดับไป การเกิดขึ้นหรือการดับลงของขันเนี่ยได้มีตัวคนตัวใครเข้าไปอยู่ในนั้นไหมไม่มีซึ่งตรงเนี้เป็นระบบของการต้องมองด้วยปัญญาเป็นเรื่องลึกกว่าเข้าใจยากกว่าจะบอกว่าตายแล้วสูญพุทธเจ้าได้สอนตายแล้วสูญไหมเปล่าเพราะไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดัางนั้นการจะมามีความเห็นว่าคนตายแล้วสูญอย่างนั้นท่านไม่ได้สอน คนตายแล้วยังต้องเกิดท่านก็ไม่ได้สอนแต่สอนว่าถ้ามีเหตุปัจจัยการเกิดก็จะยังมีเพราะมีสิ่งนี้จึงมีชาติเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีอุปทานจึงมีภพเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานชาติมีเพราะมีเหตุอย่างนี้ชาติสิ้นไปก็เพราะเหตุสิ้นไปอันนี้คือคำสอน ในแบบของพุทธศาสนาดังนั้นการมาเข้าใจว่าห่วงโซ่ปฏิติเป็นระบบที่เวียนว่ายถึงขนาดเวียนเข้ามาสู่การเกิดจริงๆเนี่ยจำเป็นไม่ต้องเป็นความเห็นแบบพรามจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะถ้าตัดทิ้งวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดเข้าท้องออกไปเนี่ยทาให มิติของความแจมแจ้งแทงตลอดในโลกธาตุเนี่ยมันขาดความครบถ้วนเลยนะชีวิตมันไม่ได้มีแค่ชาติเดียวนั้นมุมของการที่ชีวิตเวียนว่ายไตเกิดนี่คือมุมความรู้หนึ่งที่ซ่อนเร้นในโลกธาตุนั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องวัฏสองสารมุ ม, มนี้จะเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดชีวิตจริงๆได้ไม เมื่อท่านรู้แจ้งชีวิตท่านต้องมองเห็นเลยว่าชีวิตเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่เมื่อเห็นว่าเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ก็ต้องหาว่ามันเกิดจากอะไรเพราะที่เห็นแน่ชัดเลยคือพบว่าใครก็ตามที่เกิดมาแล้วเนี่ยบุคคลนั้นเมื่อมีชีวิตก็ไม่อาจบังคับบัญชาเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เลยและบังคับบัญชาสิ่งโดยรอบทั้งปวงก็ไม่ได้ การเกิดอย่างนั้นก็ได้แต่เกิดมาเพื่อทุกข์เลยเพื่อแปรปวนเพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวเท่านั้นจัดการไม่ได้สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเกิดดับเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายล้วนมีทุกข์อยู่เป็นธรรมดาชีวิตเกิดมาต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพอพระองค์เข้าใจว่าเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าไปเปลี่ยนแปลงมันได้ไหม มันมีปกติของมันอย่างนั้นว่าชีวิตที่เกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก่อนบวชเนี่ยจะไปหาอะไรที่ทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเพราะยังไม่รู้จักชีวิตจึงคิดว่ามันน่าจะมีอยู่นะอะไรที่ทำให้ตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมาเข้าใจสัจธรรมจึงค่อยพบว่าทั้งชีวิตเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองตัวเองบังคับไม่ได้หรอก แล้วก็ไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตอนอยู่ในระบบธรรมชาติด้วยมีแต่กฎธรรมชาติล้วนที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยพอเห็นอย่างนี้จึงพบว่าจะหาสิ่งที่ทาให้ตัวเองที่เกิดมาเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไั้มไม่ได้แนละ้วเพราะตัวเองไม่มีอำนาจอยู่ในรูปรูปไม่อยู่ในอำนาจของใครดินน้ำไฟลมมันเป็นธรรมชาติของมัน บังคับไม่ได้นั้นเมื่อไม่อาจเปลี่ยนแปลงความแก่เจ็บตายได้ต้องได้แต่ปลงกับมันอย่างเดียวเท่านั้นพุทธศาสนาจึงสอนนี้ทําไมปลงแล้วก็ปล่อยปลงแล้วก็ปล่อยเพราะว่าไปแกะไปแก้มันได้ไหมไม่ได้สิ่งต่างๆไม่เที่ยงเนี่ยก็ได้แต่ทําไมกับมันเข้าใจแล้วก็ปลงมันไม่เที่ยงก็เออไม่เที่ยงงั้นก็ไม่เอาอะไรต่างๆ มีแต่ความเปลี่ยนแปลงแปรปวนก็ได้แต่เออต้องเข้าใจแล้วก็ไม่เอาเข้าใจแล้วก็ไม่เอาเมื่อไม่เอาเต็มที่ก็คือการวางทุกสิ่งเพราะว่าต้องปรงอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือหมุมมาศึกษาธรรมงพระองค์พระองค์สอนต้องทำยังไงให้ปรงจนหมดโลกเลยนะพุทธศาสนาจนไม่เหลืออะไรจะปลองเนะี่ย จนไม่เหลืออะไรจะต้องการให้ปลงโลกให้มองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่มีแก่นสารเพื่อที่จะไม่ต้องไปยุ่งกับมันโดยถอยห่างจากมันหรือวางมันซะหรือวางภาระทีนี้พอมองอย่างนี้ว่าโลกเนี่ยบังคับไม่ได้พุทธเจ้าก็เลยสอนให้ทิ้งโลกซะเลยบังคับไม่ได้ ไม่อาจควบคุมได้ก็สอนให้ทิ้งโลกสอนให้ทิ้งโลกเลยให้มองโลกแบบไหนมองให้เห็นโลกว่าเป็นแต่สิ่งเป็นทุกข์นะมีแต่ความแปรปรวนนะบังคับไม่ได้นะเป็นของไม่ใช่ตนนะเป็นดังหลุมฐานเพลิงนะเป็นดังลูกศร น, นะเป็นดังหัวฝีนะให้มองอย่างนี้เพื่ออะไรจะได้ทิ้งโลกเพราะว่าโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆ บังนะคับไม่ได้เมื่อทิ้งโลกเมื่อทิ้งจริงๆได้สําเร็จทีนี้ใจคนไม่เอากับโลกแล้วเนี่ยจะอยากมาเกิดไหมก็ไม่เอาแล้วจะเกิดทําไมอย่างนั้นคนไหนมองโทษภัยโลกได้ถึงขนาดนี้เนี่ยจะก่อความรู้สึกเลยว่าโลกไม่มีอะไรน่าต้องการเมื่อมองไปทางไหนไม่มีอะไรน่าต้องการไม่มีอะไรน่ายินดีพอใจเนี่ยจิตจึงหันกลับ น้อมมายินดีต่อเฉพาะพระนิพพานซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากเคยได้สรวจไหมครั้งแรกยินดีในโลกนิพพานฉันไม่สนต่อมาไปพิจารณาจนเห็นว่าโคมีแต่โทษมีแต่โทษมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีแก่นสารเป็นเหมือนทางความฝันเหนื่อยยากไม่จบสารพัดทุกโศกขึ้นขึ้นลงลงหาความเย็นไม่ได้หนักเหลือเกินคิดไม่หยุด สงบไม่มีคิดไปหลา ย, ลายมุมเขาไปจริงๆรู้สึกว่าโลกเริ่มเป็นสิ่งเป็นทุกข์โลกเริ่มไม่มีอะไรน่าต้องการคิดอย่างนี้บ่อยบ่อยจิตจึงน้อมใหม่น้อมในทางที่จะถอยออกจากสิ่งเป็นทุกข์ที่เคยหลงนั่นจึงเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมโมหโจทย์ส่วนประจำน้อมเห็น เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างแก่กล้าบุคคลนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดด้วยความที่พอชีวิตเกิดมาแล้วมันควบคุมไม่ได้และแม้แต่สิ่งรอบตัวก็ควบคุมไม่ได้การเกิดมาควบคุมตัวเองไม่ได้และก็ควบคุมสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกับตัวเองก็ไม่ได้ ชีวิตอย่างนั้นเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์นั่งกังวลได้ทุกเรื่องได้บ่อยๆชีวิตคนอยู่สงบจริงๆไม่ได้นะเดี๋ยวก็หิวน้ําอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปหาน้ำให้มันกินนะเดี๋ยวหิวข้าวหาข้าวให้มันกินอีกแล้เดี๋ยวต้องไปชําระสสารให้เขาเดี๋ยวเขาเข้าห้องน้ําอีกแล้เดี๋ยวเขาง่วงอีกแล้วเดี๋ยวเขาเจ็บนั่นอีกแล้วเดี๋ยวเขาเมื่อยเดี๋ยวยุงกัดอีกแล้วเดี๋ยวมดกัดอีกแล้วถ้าเราพัอย่างไม่จบอ่ะเดี๋ยวต้องหาเสื้อผ้าให้เขาใส่อีกแล้วเดี๋ยวต้องหาบ้านให้ เขาอยากจะไปเที่ยวอีกแล้วต้องพาเขาไปอีกแล้วเยอะนะจริงจริงในชีวิตเจ้าโตัวทุกเลยล่ะพอเจ็บก็ต้องหาโรงพยาบาลเนี่ยเขาอีกแล้วจะหาโรงพยาบาลไม่พอต้องหาตังค์ไปรักษาเขาอีกจะหาตังค์บางทีไม่มีก็ต้องเอาหาวิธีทํายังไงให้ได้ตังค์ผมถึงหาวิธีบางทีวุ่นวายลุงตุงนางไปหมดแค่ร่างกายมันเจ็บอย่างเดียวเนี่ยเยอะไหมมองดีเจ้าตัวทุกเนี่ยนะ เรานี่ก็เรยกกองทุกบางทีผลิตกองทุกข์ขึ้นมาต้องสี่ห้ากองนี่คือกองทุกข์ทุกจริงจริงต้องมองให้เห็นมันเป็นเป็นกองทุกข์จริงๆพร้อมแก่เป็นทุกข์นะบางทีนั่งมองว่าความแก่เป็นทุกข์อย่างไรบ้างในหนังสือก็ว่าความแก่เป็นทุกข์เราก็สวดว่าแก่เป็นทุกข์ไม่รู้แก่เป็นทุกข์ยังไงแก่เป็นทุกข์ไหมทุกข์นะ มันรู้สึกขัดใจเริ่มเรื่อยๆหน่มองอะไรเริ่มไม่ชัดเริ่มเป็นทุกข์ละฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินเริ่มอึดอัดละนั่งแป๊บเดียวก็เมื่อยอึดอัดละนิดหน่อยก็เหนื่อยอึดอัดละทำอะไรก็ขัดใจไปหมดไม่ทันใจอึดอัดละสารพัดอย่างฟังอะไรก็ไม่จำก็อึดอัดละขี้ใจน้อยง่ายก็อึดอัดลวคนแก่ขัดหูก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ความแก่เป็นทุกข์ แล้วความแก่นี่เขารอทุกคนอยู่ไหมรอนะคนไหนไม่ไม่รีบด่วนจากไปก่อนแกนยะถึงเขาแน่เน้นความแก่เป็นทุกข์เนี่ยความสวยงามที่พอใจชื่นใจมานานเนี่ยถูกทำลายลงเพราะความแก่เมื่อก่อนนี้รักกระจกมากพอชราแล้วกลัวกระจกเลยเนีย่นี่คือความแก่เป็นสิ่งทุกข์เห็นแล้วใจเศร้าเหี่ยวเฉาไปเลยนี่คือคแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บเป็นทุกข์คนไหนเจ็บเนืองนิดกับเจ็บขาประจําบางคนมีติดตัวอยู่สองสาโลกบางคนเนี่ยโลกหนึ่งมาเป็นระยะระยะบางคนทรงตัวมาทีทีนี่คือความเจ็บเป็นทุกข์เป็นทุกข์จริงๆพอเจ็บแล้วยุ่งยากมไหมบางทีลําบากตัวเองไม่พอหนึ่งทั้งทุกข์ทรมานไหนจะต้องยุ่งยากด้วยการรักษาบางทีไหนต้องยุ่งยากเกี่ยวพันกับคนแวดล้อมให้ต้องลําบากไปอีกสารพัด แล้วบางทีเจ็บหายหายเสร็จมันหายสมบูรณ์ไหมเดี๋ยวโรคใหม่มาอีกชีวิตอย่างนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์<ม>เป็นสิ่เป็นทุกข์นะไปโรงพยาบาลก็เป็นนั่งต่อคิวกันอีกสรารพัดแต่ละคนเจ็บเจ็บเจบนี่นะทั้งนั้นเลยความเจ็บเป็นทุกข์ลองนั่งดูเดี๋ยวพี่พิจารณาลึ ก, กดูไอ้ความเจ็บเนี่ยมันทําให้เราวุ่นวายขนาดไหนและชีวิตที่ถูกความเจ็บครอบงําแล้วเนี่ยชีวิตอย่างนี้น่ากังวล ชีวิตนี้น่ากลัวร่างกายที่เจ็บป่วยไข้ได้ร่างกายแบบนี้น่ากลัวเพราะไม่รู้วันนี้เธอจะเป็นอะไรพรุ่งนี้จะมีอะไรแล้วความเจ็บนี้มาได้กี่ทางสารพัดเรื่องที่จะทำให้เจ็บอุบัติเหตุก็เจ็บสัตว์ร้ายก็เจ็บโรคภัยก็เจ็บเจ็บกายนี่ก็เยอะเจ็บใจนี่เยอะไหมเยอะเจ็บใจอีกสารพัดโรคที่จะเจ็บตายอีก ไอ้ความตายนี่รออยู่แล้วพอตายมานี่ต้องพัดพลากทุกอย่างเลยเหนื่อยแทบตายสร้างได้ดังใจประสงค์จะชื่นชมสักหน่อยวันลุงขึ้นตาย <c oughs> ก็คือพอนึกถึงความตายเยอะๆแล้วบางทีกลัวยังไม่อยากทำอะไรเลยมันนั่งพิจารณาเออฉันวิสาลงทุนลงแรงทุ่มเทนะพอได้ตามเป้าแล้วฉันจะไปปฏิบัติธรรมแล้วพอถึงเป้าปุ๊บตาย <c oughs> มันก็ พอนึกถึงว่าความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นทุกข์อย่างไรความตายทำให้เราต้องพัดพลากจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรารักี่ยความตายพลากทุกสิ่งเลยล่ะความพัดพลากเป็นสิ่งเป็นทุกข์ชีวิตต้องพัดพลาดไหมพัดพลากอยู่แล้วอยู่แล้วพัดพลากจากทุกสิ่งทั้งของรับทั้งของชอบใจพัดพลาดอยู่แล้วพัดพลาดก่อนตายมีไหม มีพัดพรากเพราะความตายมีไหมก็มีนี่คือทุกข์จริงๆชีวิตเกิดมาเนี่ยต้องแก่ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากเป็นทุกข์ไปมองว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรทีนี้เริ่มรู้สึกโอชีวิตนี้ไอ้เจ้าตัวทุกข์เกิดมายิ่งบุนอยู่กับเจ้าตัวทุกข์เนี่ยเดี๋ยวแก่หิวอีกแล้วเดี๋ยวต้องพากันใบอีกแล เดี๋ยวแกเมื่อยอีกและเดี๋ยวต้องหาคลายนวดที่แกเดี๋ยวเรียกหาหมอนวดให้แกวุ่นวายอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกเมื่อยอีกละนี่คือทุกข์เพราะกายทุกข์เพราะจิตได้มหมยิ่งใหญ่ะเดี๋ยวแกเหงาอีกล้วเดี๋ยวแกเบื่ออีกละเดี๋ยวแกฟุ้งอีกล้วสารพัดที่เจ้าขันทั้งห้าจะทําให้เราทุกข์และบังคับมันได้ไหม ไม่ได้ดังนั้นชีวิตที่บังคับไม่ได้เลยแปรปรวนเปลีย่ยนแปลงตลอดแล้วลากให้เราวุ่นวายกับมันไม่ได้จบไม่ได้สิ้นเนี่ยชีวิตอย่างนี้เป็นของเย็นหรือของร้อนของร้อนเป็นของเบาหรือของหนักของหนั ก, นกเพราะมันหนักเราเลยต้องเหนื่อยเฉพาะขันห้าของเราขันเดียวนี้ก็ทุกขนะ์ละแล้วผลิตมาอีสี่ห้าขันเป็นไงในกองทุกข์ทั้งนั้นเลยนะนะกองทุกข์ทั้งนั้นเลย อันนี้คือมองให้เห็นว่าขันทั้งห้าเนี่ยหรือชีวิตมันเป็นสิ่งเป็นทุกข์ให้เจอพอรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งเป็นทุกข์เนี่ยจึงให้ความรู้สึกที่จะเบื่อหน่ายในทุกขเบื่อหน่ายในขันเบื่อหน่ายในการเกิดเบื่อหน่ายในการเกิดนี่คือมอุมมองของพระพุทธองค์มองเพื่อให้เบื่อชาติ เบื่อการเกิดเบื่อขันห้าและก็ให้เบื่อรูปเสียงกลิ่นรสผลผลธรรมลมเบื่อโลกดูท่านให้เบื่อไปให้หมดเบื่อหมดแล้วจิตเลยเอาอะไรไหไม่เอาอะไรบนความไม่เอาอะไรเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าอิ่มคนที่ถึงจุดที่เข้าใจอะไรทุกสิ่งโดยลอดมันให้ความรู้สึกว่าอิ่มเลยอิ่มก็ไม่ต้องการในความไม่ต้องการเพราะอิ่ม อิ่มเลยอิ่มแล้วกับเจ้าขันธห้าอิ่มแล้วกับเจ้าสิ่งที่ไม่เที่ยงอิ่มแล้วกับการดิ้นรนขนขวายอิ่มแล้วกับการกังวลวิตกอิ่มแล้วกับจิตที่ไม่ได้มีอิสระอิ่มแล้วกับการไม่ได้หยุดย่อนผ่อนพักคืออิ่มพอพิจารณาเห็นโทษภัยอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกต้องการที่จะวางและอิ่มแล้วกับเรื่องอย่างนั้นพออิ่มก็หยุดอิ่มเขาก็หยุด มีไม่อิ่มแล้วไม่หยุดกินข้าวอิ่มแล้วไม่หยุดมีหมเห็นโทษจนอิ่มเลยอะเห็นมีแต่ภัยนี้เห็นจนอิ่มเลยเห็นจนอิ่มพออิ่มแล้วเขก็หยุดเมื่อหยุดเพราะอิ่มจึงทำไห้คนนั้นมีชีวิตที่เย็นเป็น น, นิพพานอิ่มก็หยุดหยุดก็เย็นเป็น น, นิพพานเขาถึงความเย็นนั้นในมุมของชาติเนี่ยการเกิด เกิดทุกขราวเป็นทุกข์ร่ําไปนะคำนี้ได้ยินบ่อยมากพระพุทธเจ้าเข้าใจสัจธรรมว่าชีวิตทั้งหลายบังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้มีมุมเดียวที่จะพ้นทุกข์โดยแท้จริงก็คือต้องสิ้นการเกิดคําว่าสิ้นการเกิดในที่นี้ก็หมายถึงสิ้นการได้มาซึ่งขันทั้งหลายในห่วงโซ่ปฏิตจก็อธิบายว่าหมายถึงการเกิด การได้มาซึ่งขันทั้งหลายเมื่อได้มาซึ่งขันทั้งหลายแล้วเนี่ยมีการเกิดแล้วเนี่ยก็จะเป็นบใจจัยให้มีความแก่เจ็บตายไม่ต้องไปตีความแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายต้องพลัดพรากต้องโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันก็เพราะว่ามีการเกิดถ้าจะสิ้นทุกข์ก็ต้องสิ้นการเกิด ท่านมาพบคำตอบที่จะพาคนหรือเข็นคนให้พ้นทุกข์เนี่ยในมุมของพระ อ, องค์ก็คือนำเสนอวิธีที่ทำให้บุคคลเนี่ยต้องการทำที่สุดแห่งการเกิดถ้าใครต้องการไม่เกิดพระ อ, องค์มีวิธีการเพราะท่านรู้ว่าการเกิดเนี่ยมีเหตุปัจจัยอย่างไรการจะไม่เกิดอีกเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเพราะคนพบ ก่กลไกเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยระบบมันเป็นยังไงถ้าจะสิ้นสุดการเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยต้องทํำยังไงเมื่อใดก็ตามสิ้นสุดการเกิดได้เมื่อนั้นคุณก็พ้นทุกทั้งปวงได้ทุกจากความแก่ทุกจากความเจ็บทุกจากความตายทุกจากความพัดพลากทุกจากทุกทุกเรื่องที่โลกมันมีทําลายที่ต้นเหตุเลยคือเกิด เพราะแต่เดิมพู้เจ้าก็อยากไม่แก่ใช่ไหมเพราะพอแก่แล้วก็กลัวจะทุกข์เพราะแก่กลัวจะทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะจะตายถ้าจะพ้นทุกข์จากความแก่เจ็บตายซะก็เลิกเกิดจะได้ไม่ต้องแก่เจ็บตายก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายไปแก้ที่เกิดพอไปแก้ที่เกิดก็เลยต้องไปจัดการเหตุที่ทาให้มีการเกิด พระพุทเจ้าก็แสดงเอาไว้ว่าตันหาคือยางเหนียวคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงการเกิดวิญญาณคือเชื้องอกนี่คือคําศัพท์ที่เยอะแยะพูดถึงตันหาเนะี่ยคือยางเหนียวคือตัวเชื่อมติดการเวียนว่ายตายเกิดตันหาคือยางเหนียวเคยมีคําถามที่ท่านถามพะาระอรหันต์อรหันต์ทุกรูปตอบไม่เหมือนกันหรอกนะท่านถามว่า อะไรคือส่วนสุดข้างหนึ่งอะไรคือส่วนสุดอีกข้างหนึ่งอะไรคือท่ามกลางอะไรคือยางเหนียวอะไรคือเชื้องอกอัลฮันประมาณห้าท่านตอบไม่ตรงกันแต่มีอยอง์หนึ่งตอบซึ่งพระพุทธองค์ขานรับในคำตอบนั้นว่าท่านตอบว่าผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่ง ความเกิดขึ้นของผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งความดับผัสสะเป็นท่ามกลางตัณหาคือย่างเหนียววิญญาณคือเชื้องอกอันนี้คือคำเต่าของพระอรหันต์แต่พระพุทธเจ้าก็ขานรับผานสิทนี้ว่าตรงกับใจพระองค์พระองค์ถ้าจะตอบก็ตอบแบบนี้แต่ท่านอื่นก็จะตอบไปคนละแบบแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ ท, กทรงสแสดงว่า คำตอบทุกคําตอบของอรหันต์ทุกท่านที่ตอบก็ถือว่ายังเป็นภาสิตก็ถือว่าก็ถูกนะแต่ถ้าจะให้ถูกในแบบที่พระ อ, องค์เนี่ยขานรับหรือพอใจด้วยเนี่ยพระ อ, องค์ชอบภาสิตนี้เยภาษะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งความเกิดขึ้นของภาษาเป็นสุดสุดข้างหนึ่งความดับภาษาเป็นท่ามกลางตัณหาคือยางเหนี่ยววิญญาณคือเชื้องอก คำว่าวิญญาณคือเชื้อ ง, งอกเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงยังเกิดได้อีกั้ยได้อีกเท่ากับพุทธศาสนาเราจะมีเรื่องของการเวียนว่ายใเกิดไหมมีนะแน่นะต้องแน่ถ้าตัดเรื่องนี้ทิ้งไปนี่หายไปเลยนะหลายภาษิทพระองค์ธรรมะพระองค์นี้ขัดกันเลยนะ พื่เจ้าบอกตลอดเวลา45ปีการแสดงธรรมของพระองค์ตลอดเวลาระหว่างนั้นย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นย่อมไม่ขัดกันโดยประการอื่นเลยถ้าลองตัดไอ้เจ้าการเวียนว่ายแต่เกิดแบบเข้าท้องเนี่ยทิ้งไปเนี่ยคสอนของท่านเนี่ยมันขัดกันเลยนะอีลงตุงนังไปหมดเลยในพะระไตรปิฎกเนี่ยตลอด45ปีของการสอนธรรมเนี่ย ธรรมะของพระองค์นั้นจะต้องเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่ขัดกันโดยประการอื่นเลยต้องไม่ขัดกันขึ้นอยู่กับเราตีความถูกหรือเปล่าถ้าขัดกันการตีความต้องผิดมันต้องไม่ขัดกันตันหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ในมุมหนึ่งก็คือเป็นเหตุเกิดชาติ นี่คือมุมหนึ่งว่าคือเหตุเกิดชาติชาติก็คือเกิดนั่นแหละคุยกับคนโบราณสองพันกว่าปีเนี่ยพระเจ้าใช้คาว่าชาติก็คือการเกิดเกิดก็คือเกิดพระเจ้าคือตรงอยู่แล้วไม่เล่นคาไม่ซ่อนคาธรรมะเป็นเรื่องยากอยู่แล้วต้องไปแฝงภาษาแฝงเข้าไปไหมแฝงทาไมอ่ะถ้าแฝงต้องแฝงให้ครบ แฝงตั้งแต่วิชาลงมาเลยนะอวิชาต้องแฝงสังขารต้องแฝงวิญญาณต้องแฝงนามรูปต้องแฝงต้องแฝงให้ครบดังนั้นต้องเป็นภาษาที่ตรงตัวโดยหลักเกณฑ์ธรรมดาเนี่ยนีนี่นตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์อีกแบบหนึ่งไม่ได้ไหมายถึงเป็นเหตุเกิดชาติแต่เป็นเหตุเกิดทุกข์เลยละ่ะทุกทรมานเนี่ยละได้ไมตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกทรมานได้ไห ตันหาเป็นเหตุให้ทากรรมนี่คือข้อหนึ่งเมื่อใดมีความต้องการเมื่อนั้นคนเริ่มคิดละเริ่มพูดเรื่องกระทำละถ้าไม่รู้ทันความต้องการตนเองเนี่ยการกระทำของคนคนนั้นพร้อมจะไปกระทำในสิ่งที่ตัวเองเดือดร้อนได้ไหมได้พอมีความต้องการคนคนนั้นสามารถที่จะนั่งคิดจนฟุ้งซ่านเป็นโรประสาทเลยได้ไหมได้ปต้องบารเนี่ย พอต้องการแล้วก็คิดไม่หยุดพอต้องการเนี่ยพูดเยอะและเกินจะเอาให้ได้พอต้องการก็พร้อมจะต้องไปทำนูน่ทนทานี่ทำนั่นเพื่อจะเอามานี่คือความต้องการตัณหาเป็นเหตุให้เกิดการกระทำทั้งทางกายวาจาและทางใจนี่คือเหตุให้เกิดการกระทำแล้วเมื่อมีการกระทำก็จะต้องมีวิบากคือผลแห่งการกระทำและเมื่อมีการกระทำ บางครั้งการกระทําเนี่ยมันพาให้เกี่ยวพันไปหมดเลยต้องการบางสิ่งบางอย่างวิธีลากชาวบ้านเดือดร้อนเป็นขบวนเลยต้องการสร้างเวรสร้างภัยต้องทุกข์เพราะความต้องการตัวเองเนี่ยกับทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปความต้องการของตัวเองเนี่ยกับชีวิตบางคนเนี่ยเพราะความต้องการอย่างเดียวและคุมไม่อยู่บางทีหมดอ น, นาคตไปเลยความต้องการอย่างเนี้ย ถ้าควบคุมเขาไม่ได้ในอันตรายไหมอันตรายเนี่ยไอ้เจ้าความต้องการเนี่ยและความต้องการเนี่ยมันเป็นเหตุเกิ ด, กดทุกข์คือมันเป็นเหตุที่ล่าพาบุคคลให้กระหายไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยมีอะไรเที่ยงแท้บ้างมีไหมไม่มีคุณได้มันมาเสร็จอยู่กับคุณนานไหมไม่แม้ได้ลถมาคันหนึ่ง อุตส่าหอยากได้มาเก็บเงินซื้อมาอย่างดีเลยได้มาเสร็จสองปีตกรุ่นตกรุ่นอารมณ์มันจืดไหมจืดพอจืดแล้วความต้องการมันหมดไหมไม่หมดความต้องการเกิดอีกแล้วความต้องการเขาขยับตลอดวิ่งตามต้องการไม่มีจบหรอกพระเจ้ามองเห็นว่าความต้องการเนี่ยวิ่งตามเขาไม่มีวันจบหนึ่งสิ่งที่ได้มาก็ไม่เที่ยงสอง ถ้าเสพสิ่งนั้นนานๆจิตมันก็จะจืดคุณได้มาจริงคุณไปเสพสัมผัสอยู่กับเขานานๆก็จะจืดอย่นางคนได้อะไรมาใหม่ๆเนี่ยทนอมอะไรแตะก็ไม่ได้ระวังอย่างดีเลยอยู่กับสักปีหนึ่งวางอิเลคเคขะแล้วพอเริ่มจืดพอจืดเสร็จ แ, แล้วก็จะมองใหม่ดังนั้นจิตเนี่ยพอเสพอะไรนานๆที่ได้มาเขาจะจืดพอจืดแล้ว จิตมันก็จะเกิดความต้องการขึ้นมาอีกไหมต้องการอันใหม่อีกแล้วเพราะต้องการก็ต้องดีนตามใจเขาอีกแล้วกว่าจะได้มาบางทีต้องเหนื่อยยากเยอะแยะเลยละ่ะบางทีต้องไปทำผิดเลยเพื่อให้ได้ไอ้เจ้าสิ่งที่ต้องการมาเนี่ยบางทีนอนไม่หลับเลยละ่ะบางทีคิดถึงมันเลยละ่ะเพรต้องการอย่างงี้แต่พอได้มาแล้วไอ้สิ่งที่ได้มาเ ท, ที่ยงหรือไม่เที่ยงได้มาเสร็จวันรุ้งขึ้นหาย ทุกอีกนะดังนั้นพอหายเสร็จความต้องการยังอยู่ไหมยังอยู่ความต้องการยังอยู่ก็ต้องเอาใหม่พอเอามาใหม่ไม่หายแต่อยู่ไปนานๆสิ่งนั้นเริ่มตกลุ่นเปลี ansa, ปล่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเสร็จความต้องการยังอยู่ไหมยังอยู่ก็ต้องหาใหม่จิตมันเป็นอย่างนั้นความต้องการที่งอยู่ในใจเนี่ยมันจะไม่ทําให้เราได้หยุด ได้อิ่มได้เต็มเพราะสิ่งที่คนต้องการเนะี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเรากินข้าวเนะี่ยรู้สึกอร่อยดีกินอิ่มหมดจานความอร่อยมันค้างมะอิ่มค้างถึงพรุ่งนี้ไหมไม่เพราะหมดพอหมดแล้วคนเราก็ยังต้องการต่ออีกแล้วไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่เราอยากได้อะไม่มีอะไรเที่ยงเลย คนเราดัานดไปต้องการสิ่งที่แปลปวนและต้องดับสลายคนดันไปต้องการสิ่งที่บังคับไม่ได้ไอสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมีอะไรบังคับได้บ้างอ่ะไม่ได้สิ่งเหล่านั้นพร้อมจะเปลี่ยนแปลงพร้อมจะแปลปวนเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแปลปวนไปเนี่ยเราก็ทุกข์กับมันได้อีกเราก็พัดพลากกับมันได้อีกแต่จต e, um ้องการยังอยู่ ความต้องการเนี่ยเติมยังไงก็ไม่เต็มเพราะว่าเอาอะไรมาเติมให้มันเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเติมให้มันมันจะเต็มได้ไหมไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ไม่เที่ยงไอตัวผู้ต้องการก็ไม่เที่ยงแม้แต่ไอเจ้าจิตเองเนี่ยมันก็มีธรรมชาติที่ไม่อิ่มเต็มจิตไม่อิ่มเต็มและจืดง่ายจืดได้ ลองสัมผัสอะไรลองใส่ชุดไหนชุดหนึ่งใส่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจืดไหมจืดต่อมาทนไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนแล้วจิตมันชอบหมุนเวียนเปลี่ยนรสชาติเนี่ยทำให้เราเนี่ยหยุดหยุดไม่ได้เลยเหตุที่มีความต้องการเนี่ยเพราะมีอวิชชาเพราะมีวิชาจริงยังมีตัณหาแต่พอมาถึงมุมมุมของพระ อ, องค์เนี่ย บอกชีวิตนี้จะดีขึ้นถ้าทำให้เจ้าความต้องการมันลดลงซะถ้าคนไหนเกิดมามีความต้องการเต็มอกไปหมดเนะี่ยคนนั้นน่าสงสารนะแต่ถ้าคนไหนเกิดมาใจไม่ค่อยต้องการอะไรเนี่ยคนนั้นน่าจะสบายกว่าไหมไม่แน่ใจนะสบายนะใจที่ไม่ค่อยต้องการอะไรนี่มันสบายนะไม่ต้องไปเหนื่อยกับใครเขามากนะแต่ถ้าใจเขายังต้องการเยอะต้องยิ่งถ้าไปต้องการอะไรที่มัน ต้องไปสู้ฝ่าฟันกับใครเขอีลงตุงนางไปหมดหรือต้องการอะไรที่ต้องฝ่าดงการกระทำแย่แย่เพื่อให้ได้มาเนี่ยจิตถ้าไปคิดต้องการแบบนั้นเข้าไปเนี่ยคนนั้นเนี่ยน่าเป็นห่วงเลยนะความต้องการนี้น่ากลัวไหมถ้าเขาเลือกต้องการอะไรที่มันมีแก่นสารเช่นต้องการมรรคผลนิพพานนี่ดีไหถ้าไปต้องการไอ้เรื่องที่มันโอ้โหต้องฝ่าดงกระสนกันเข้าไปเลยเนี่ยโอ้โหนี่น่ากลัว ถ้าไม่รู้เท่าทันความต้องการจริงๆตัณหามันลากพาเราให้จมวนเวียนอยู่กับการดิ้นรนไม่จบเลยนะนี่คือตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ตอนที่คนดิ้นรนเนี่ยต้องใช้ทั้งความคิดต้องพูดต้องกระทาต้องทุกอย่างเหนื่อยมะเหนื่อยไม่ได้สงบพอได้มาแล้วก็ต้องห่วงต้องกังวลอีกเพราะมันไม่เทีย่ยงพอได้มาแล้วอยู่กัมันานๆจิตนั้นจืดอีก จือดอีกก็ต้องเอาใหม่อีกจนแก่แล้วก็ตายกันไปข้างหนึ่งที่สุดแล้ววิ่งตามตันหาตลอดชีวิตเลยวิ่งตามพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่วิ่งตามตันหามีตันหาอยู่มีความต้องการโลกที่ไม่เที่ยงแปรปวนเปลี่ยนแปลงขับไม่ได้เนี่ยเขาบอกคนนั้นมีอะไรจึงมีตันหาอวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงมีเนี่ย พอโยมเริ่มมีวิชาเริ่มเข้าใจแล้วโอ้โหสิ่งที่ต้องการก็อย่างงั้นแหละนะอร่อยก็ชั่วคู่ชั่วคราวต่อให้วิ จ, จิตแค่ไหนหมดจานก็หมดกินแค่อิ่มก็พอละไร้สาระลดอร่อยก็ช่ววูบเดียวเวทนาเป็นสิ่งไม่จีรังพอพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ต้องการแพงขนาดนี้อร่อยนิดเดียวเองแค่อิ่มก็พอละหาของถูกดีกว่าอย่าเงี้ยไม่ต้องเหนื่อยมากน พอมีวิชาเข้ามาความต้องการมันก็ถูกทมลายแต่พอมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงทำให้ยังมีตัณหายังไม่เบื่อโลกยังไม่เห็นโทษภัยของโลกเหมือนยังไม่รู้จักงูพิษอะ่ะยังพร้อมจะปล่อยให้มันกัดอยู่นั่นแหละกัดแล้วก็ไม่เข็ดด้วยอันนี้คือเป็นอย่างนั้นต้องมองเห็นโลกโดยความเป็นภัยเป็นสิ่งเป็นทุกข์ นั้นตัญหาเป็นเหตุกระทุกข์ในมุมนี้คือเป็นเหตุให้คนเราต้องทำกรรมคนเราต้องเหนื่อยยากคนเราต้องอยู่ไม่สงบพระทดเจ้าเคยนั่งลำพึงพญาติแย่งน้ากันทานาญาติของพระองค์เชื้อกริส์เนี่ยญาติฝ่ายมารดาปีดาปีนั้น ฝนแรงน้ำน้อยเมืองที่อยู่ด้านบนเธอก็กันน้ำไว้ใช้ของตัวเองน้ำก็ไม่ไหลไปสู่เมืองที่อยู่ตอนล่างของแม่น้ำทำให้เกิดการทะเลาะบอาแหวงกันเรื่องแย่งน้ำทำหน้าจะฆ่ากันพระเจ้าก็ไปห้ามปรามทั้งหลายครั้งก็พอห้ามได้ต่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรม ทำไมพระเจ้าไม่เรียกฝนนะปล่อยตามเวรตามกรรมพระเจ้าเรียกฝนได้ไหมได้เหรอเออได้เพราะอะไรจึงคิดว่าได้เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าเ <c oughs> ชื่อไว้ก่อนใช่ไหมพระพุทธเจ้าคือผู้สุดยอดที่สุดน่าจะต้องเรียกฝนได้นะแต่กรณีนี้ยท่านไม่เรียกท่านปล่อยให้ญาติฆ่ากัน ห้ามแล้วห้ามแล้วห้ามแล้วหลายครั้งที่สุดไม่อยู่กับข้ากันนะและท่านก็หลบมานั่งลำพึงในหมู่คนผู้นขนวายเราอยู่อย่างไม่นขนวายอยู่เป็นสุขจริงหนอเห็นไหมย่าจะค่ากันในหมู่คนผู้มีเวรเราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขจริงหนอในหมู่คนผู้เดือดร้อน เราอยู่อย่างไม่เดือดร้อนอยู่เป็นสุขจริงเนอะเห็นไหมเธอจะฆ่ากันก็เดือดร้อนพุชเจ้าไม่ได้เดือดร้อนท่านบอกท่านอยู่เป็นสุขจริงเนอะนั้นพอมีความต้องการเนี่ยทําให้คนเราอะ่ะพร้อมจะต้องต่อสู้กันไหมพอต่อสู้แล้วพร้อมจะผูกเวรไหมผูกเวรแล้วพร้อมจะเดือดร้อนไหมเดือดร้อน พอมีชีวิตที่ต้องการมันต้องขนขวายมก็ต้องขนขวายพอไม่ต้องการเนี่ยก็เลยไม่ต้องขนขวายอยู่เป็นสุขจริงหนอพอไม่ต้องการอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปต่อสู้ช่วงจิงกับใครก็ไม่ต้องผูกเวรใครอยู่เป็นสุขจริงหนาะพอตัวเองไม่ต้องการอะไรก็กลายเป็นผู้ที่อยู่เย็นเมื่อไม่ต้องเกี่ยวพันสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับอะไร อยู่เป็นสุขจริงเนอเวลาคนต้องการอะไรสักสิ่งเนี่ยเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขอะ่จะจต้องการเห็นเจ้าความต้องการเนี่ยจึงเป็นเหตุเกิดทุกข์ในอีกความหมายหนึง่งเป็นเหตุเกิดทุกข์ในแบบนี้ทำให้ชีวิตนั้นไม่เย็นทำให้ชีวิตนั้นไม่สงบทำให้ชีวิตนั้นมันไม่อิ่มทำให้ชีวิตนั้นมันไม่เต็มทำให้ชีวิตนั้นสร้างเวรไภได้เยอะแยะไปหมดเลยเจ้าความต้องการน่ากลัวนะ คนเราชินกับการตามใจความต้องการเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่เมื่อได้มันมาแล้วมันจบไหมไม่จบได้มาบางสิ่งได้มายากก็จะห่วงกังวลห่วงแหนแต่ถึงห่วงแหนแค่ไหนหนึ่งไม่เบื่อมันสิ่งนั้นก็ต้องพัดพรากจากตนมีสองอย่างคือนถ้าอยู่กับตนเดี๋ยวตนก็เบื่อมันหรือถ้าอยู่กับตน เดี๋ยวมันก็พัดภาคจากตนไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้จริงๆ จ, จังๆไม่พัดภาคตอนมีชีวิตเดี๋ยวก็ตายจากมันอยู่ดีนั่นแหละยังไงได้อะไรก็ต้องพัดพรากช่วยชีวิตคนจริงๆเหลือสักกี่ปีบางคนเนี่ยดิ้นรนก่อจะได้มาก็เอาซะแก่แล้วพอได้มาเสร็จเลยห้าหกปีหวงได้ไม่นานตายเหนื่อยไหมไม่แน่ใจ นี่ถ้าคนมานั่งคิดเยอะๆคิดลึกๆเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนต้องการน่ยหรือโลกใบเนี้จะเพราะว่ามันเหมือนของว่างเปล่าเป็นสิ่งไม่มีแก่นสารเป็นสิ่งที่หาความสงบล่มเย็นไม่ได้อันนี้คือการมองในแบบที่พระพุทธเจ้าให้มองมองเพื่อเบื่อโลกสมัยก่อนมองเบื่อโลกนี่ง่ายนะ พราโลกไม่ค่อยมีอะไรมองไปเจอแต่ป่าป่าป่าน่าเบือ่อเดี๋ยวนี้มองอะไรนุ่นก็วิจิตนุ่นก็ดีนั่นก็ดีนะควาวิจิตเต็มไปหมดเลยลนี่นอารมณ์มันต่างกันมากในทางที่จะเห็นว่าโลกเป็นสิ่งเป็นทุกเนี่ยมันยากกว่ากันเยอะสมัยก่อนเห็นว่าโลกเป็นสิ่งเป็นทุกเนี่ยง่ายจังเลยเท่านันี้การเห็นว่าโลกเป็นสิ่งเป็นทุก เห็นว่าโลกเป็นดังของว่างเปล่าเนี่ยเห็นว่าโลกไม่มีแก่นสารเนี่ยมันเห็นยามอยู่พอสมควรมองอะไรก็ดีไปหมดเป็นอย่างนั้นนั้นความหมายของการวาเหตุเกิดทุกข์อีกความหมายคือตัณหาเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อมีการทำกรรมก็ต้องมีการเกี่ยวพันสิ่งต่างๆและตัณหาทาให้บุคคลนั้นเกิดความจริงจังกังวลได้ จริงจังนะพอต้องการอะไรเนี่ยจริงจังเลยพอจริงจังแล้วพร้อมที่จะเกิดความเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆได้ง่ายๆพอต้องการอะไรมันจริงจังไปหมดนะจริงจังทั้งกับลูกหลานจริงจังกับญาติพี่น้องจริงจังไปหมดเลยจิตมันไม่คลายเลยพอต้องการแล้วจิตมันไม่โปล่งเลยแต่พอไม่เอาแล้วเท่านั้นแหละเลิกหวังเท่านั้นแหละโปร่งเลยพอคลายความต้องการจิตมันก็ คลายความยึดถือเมื่อต้องการมันจะยึดถือจริงจังเกาะเกี่ยวผูกกังวลเนี่ยนี่คือต้องการพอผูกเอาไว้อีลุงตุงนางรอบตัวเนี่ยมันหนักปะ ห, หนักอย่างเช่นคนต้องการอะไรก็หมาถึงยังคาดหวังเมื่อคาดหวังเนี่ยมันผูกความคาดหวังไว้กับตัวเนี่ยไม่ได้หยุดคิดหรอกดังนั้นจิตจะโปร่งได้ไหมไม่ได้ เป็นความต้องการทำให้คนเราเครียดได้ไหมได้ป่วยได้ไหมได้นี่คือความต้องการเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ลองไปหาโทษเจ้าตัวตัญหาดูสิลอาไปหาโทษไผ่ให้เห็นโทษภัยของความต้องการให้รู้อ๋ออหนนี้มันเป็นเหตุเกิดทุกข์จริงๆอันนี้คือมุมหนึ่งของการศึกษา ดังนั้นตัณหาที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ในมุมนี้ก็คือเป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตเย็นหรือไม่เย็นไม่เย็นนะเป็นเหตุทำให้ชีวิตร้อนไม่สงบแล้วก็หนักตึงเลยแล้วก็กังวลวิตกแล้วก็ไม่อิ่มไม่เต็มนี่คือตัณหาในเหตุเกิดทุกข์ในแบบที่ทำให้ชีวิตเป็นเป็นของเราเนะี่ยรู้สึกได้กับ ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์อีกในหนึ่งคือเป็นตัวหล่อเลี้ยงการเกิดตายให้ยังคงอยู่อันนี้คือตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์พอถึงจุดที่สิ้นตัณหาบุคคลนั้นก็จะเข้าถึงจิตที่มีความสงบเย็นหยุดเย็นวางภาระได้แล้วก็หยุดเย็นเป็นนิพพานไม่ต้องการสิ่งใด แล้วอยู่ยังไงอ่ะอยู่เพื่อที่จะแค่ประคองขันให้ให้เขาดำรงอยู่จนกว่าจะทิ้งขันเป็นครั้งสุดท้ายพระเยซูเจ้าชั้นสูงถือการตายว่าเป็นวันรับเงินเดือนนะการตายเนะี่ยเคยมีคนพูดถึงการตายกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านอยากตายไหมบรรลุอรหันต์แล้วนี่ท่านบอกเราไม่ได้อยากตายและก็ไม่ได้อยากอยู่ แต่เราเป็นผู้รอความตายดุดลูกจ้างรอรับค่าจ้างฉะนั้นเหมือนยมรอเง Mur ินเดือนออกอวันไหนที่เงินเดือนใกล้ออกนี่ดีใจไหมเอออรหันก็เหมือนกันรอความตายดุดลูกจ้างรอรับค่าจ้างฉะนั้นไม่ได้อยากตายไม่ได้อยากอยู่แต่เรารอความตายดุดลูกจ้างรอรับค่าจ้างฉะนั้น นั้นในมุมของตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยถ้าเราดูว่าความต้องการที่มันมีเยอะมันจะต้องลากพาไปวุ่ น, ว, นวายขนไหวยในสิ่งที่ได้มาก็ต้องพัดพลากบางทีต้องไปนขนไหวยในสิ่งที่ทจะได้มาต้องไปผูกเวรเต็มไปหมดเนี่ยบางทีรู้ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยจะต้องแบกดูแลประคองห่วงแหนอยู่นั่นเนี่ยคิดเห็นโทษภัยเยอะๆเนี่ยความรู้สึกอยากได้มันลดได้ไหมลดได้ ลดได้นี่ดีไหมก็ดีนะการจัดการกับชีวิตการตามใจเจ้าตันหาเนี่ยไม่มีจบหรอกเพื่อเจ้ามองดูมันไม่จบหรอกชีวิตมันไม่อิ่มแน่หรอกถ้าจะอิ่มจริงๆคือแทนที่จะตามใจเจ้าตันหาสู้หันมาจัดการเจ้าตันหาดีกว่าแก้มาที่ตัวต้นเหตุดีกว่าตามใจเขาเน่ไม่จบพอได้แล้วเดี๋ยวแกอยากใหม่พอได้แล้วแกอยากใหม่ พอได้แล้วแกอยากใหม่ไม่มีจบนะท่านเลยจัดการที่ต้นเหตุซะทำลายเจ้าตัญหามันไปซะเลยไม่งั้นจะแกอยากอยู่นั่นแหละพอทาให้จิตเข้าถึงความรู้สึกว่าความต้องการนั้นน้อยลงในภายในเนี่ยความต้องการมันลดลงเดินไปตามทางพุทธเจ้าให้เห็นว่าอะไรในโลกมันมีแต่โทษภัยไม่น่าต้องการมองไปให้ถูกลักษณะจนความต้องการมันลดลง พอลดลงนี้สบายขึ้นไหมสบายมองต่อจนความต้องการนั้นเบาบางมองต่อจนกระทั่งจิตรู้สึกขึ้นม า, าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยหนอจิตรู้สึกเองว่าไม่มีอะไรน่าต้องการจิตอย่างนั้นจะทุกทนทรมานไหมกับการไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนี้ไม่ทรมานเพราะว่าก็ไม่ต้องการเองไม่ใช่ต้องห้ามใจจิตไม่ต้องการเอง จึงไม่ต้องร้อนรนทนทรมานกับการจะได้หรือการไม่ได้พอทําให้เจ้าจิตเขาไม่ต้องการเองได้สําเร็จเนี่ยการดิ้นรนขนขวายมันเย็นไปเยอะไหมเย็นไปเยอะอันนั้นคือจบจริงๆไม่ต้องวิ่งไปไหนไม่ต้องมาที่ไหนดนั้นความดับทุกข์ที่แท้จริงจะปรากฏมีที่ความสิ้นตัณหา ทั้งดับเย็นสนิทในอัตภาพทั้งการดับสนิทไม่มีส่วนเหลือที่จะทำให้พ้นการเกิดตายอันนี้คือความดับทุกข์ที่แท้จริงในชีวิตคนจะดับสนิทโดยบริบูรณ์ที่ความสิ้นตัณหาและจะสิ้นตัณหาจะต้องสิ้นตัณหาเพราะรู้ชอบรู้ชอบจนจิตไม่เอาเองอย่างเงี้ยจิตไม่เอาเองนีมันทรมานห ไม่ทรมานเพราะมันไม่ได้ข่มไม่ได้บังคับตนเข้าใจโลกจนจิตรู้สึกเลยว่ามไม่มีอะไรน่าเอาเลยหนอด้วยตัวของจิตเองจึงเป็นการคลายเองวางเองสมัครใจเองคลายวางด้วยสมัครใจเองจึงทำให้จิตนั้นหยุดและเย็นลงเองกับการที่พออยากได้อะไรแล้วหักห้ามเนี่ยหักห้ามควบคุมข่มไว้ อยากได้แล้วหักห้ามเนี่ยอย่างนี้มันคลายไหมไม่คลายการคลายเองต้องให้คลายจากภายในจะคลายก็เมื่อมีความรู้ชอบเพราะมีอวิชชาอยู่จึงยังมีตัณหาเมื่อเริ่มมีวิชาเริ่มเข้าใจธรรมะมากขึ้นเนี่ยความต้องการของเราลดลงได้ไหมได้ไหมอวิชชามีจึงมีตัณหา เมื่อวิชาเกิดขึ้นวิมุตต์ก็เกิดขึ้นวิชาแก่กล้าขึ้นมาระดับหนึ่งตันหาจะเบาบางระดับหนึ่งวิชาสมบูรณ์วิมุตต์ก็สมบูรณ์ไปด้วยกันเลยนั้นคําว่าตันหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงเกิดทุกข์ได้สองมิติมิติที่ทําให้ชีวิตต้องดิ้นรนขนไค ว, วากวนกวาดเราหกละเหินไม่รู้จบไม่รู้สิน้น ต้องผูกพันกับเรื่องนั้นผูกพันผูกเวนเกี่ยวพันกับภาระเกี่ยวพันกับงานเกี่ยวพันกับคนเกี่ยวพันกับการต้องเดินทางเกี่ยวพันกับการต้องใช้คําพูดเยอะต้องใช้การกระทําเยอะต้องใช้ความรู้สึกเยอะยแยะไปหมดเลยคําว่าต้องการคําเดียวบางทีใช้อะไรเยอะมากและพอได้มาแล้วสิ่งที่ได้มาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงอีก แล้วบางทีการเกี่ยวพันเนี่ยกับสิ่งต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะเกี่ยวพันกับคนไปเจอคนไม่เที่ยงสักสองสาคนเล่นเอาแย่เหมือนกันแค่ต้องการอย่างหนึ่งเนะี่ยบางทีต้องเดือดร้อนเพราะอิสระพัดเรื่องเพราะแค่ต้องการเจ้าสิ่งนั้นสิ่งเดียวนี่แหละบึงดีชีวิตแย่เลยนั้นความต้องการอย่างนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะดังนั้นถ้าตามใจความต้องการบ่อยๆจิตเขาจะเคยชินไหมชิน ชินถ้าไม่ได้เขาก็จะบวยวายอยู่ไม่เป็นสุขดังนั้นเขาจึงต้องมาจัดการเจ้าจิตกำราบเจ้าจิตสอนเจ้าจิตจับเจ้าจิตมาอบรมให้รู้ว่าโลกคืออะไรมีโทษภัยอะไรจับเขามาฝึกให้นิ่งจับมาชำระให้สะอาดจับเขามาทําให้อ่อนโยนมันจะได้คุยกันรู้เรื่องจิตคนเนี่ย พอปรับให้เขาอ่อนโยนสะอาดซะอ่อนโยนด้วยเมตตาด้วยการสั่งสมคุณงามความดีทําดีบ่อยๆเขาจะอ่อนโยนรักษาศีลนี้เขาดีๆเขาจะสะอาดสะอาดอ่อนโยนแล้วยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องพาไปทําสมาธิเขาสงบอีกทั้งสงบทั้งสะอาดทั้งอ่อนโยนนี่เริ่มสอนเขาแล้วนะว่าโลกไม่เที่ยงนะชีวิตเป็นสิ่งเป็นทุกข์นะมีแต่ภัยนะตัณหามีแต่โทษภัยนะคือสอน สอนจิตตัวเองสอนด้วยจิตที่สงบและให้เหตุผลที่บริสุทธิ์เห็นจริงได้จิตเขาเห็นจริงด้วยใจที่สงบสะอาดจิตเขาจะรู้สึกตามในความเห็นจริงอันนั้นจนเริ่มคลายเริ่มจางเริ่มวางดังที่ใจเราต้องการและก็ทำอย่างเนี้ยสอนเจ้าจิตรักษาจิตพาไป ทำให้สงบพาไปตามมองธรรมชาติมองโทษภัยของโลกมองโทษภัยของขันรักษาศีลให้ดีแล้วก็เล่าวังแล้วก็ควบคุมเจ้าจิตนะฝึกให้เขาแข็งแกร่งฝึกให้เขาอดทนฝึกหักห้ามเขาฝึกพาเขาไปเที่ยวในส่วนอันเป็นกุศลฝึกยั้งหยุดเขาเมื่อเขาจะไหลไปทางตเตลิดนอกทางวันคืนก็ง่วนสารวนอยู่กับจิตตัวเองเนี่ยไปสร้างเวรภัยกับใครหม ไม่ก็ง่วนอยู่กับเจ้าจิตจัดการเจ้าจิตสอนเจ้าจิตรักษาจิตฝึกจิตอบรมจิตวันคืนอยู่กับจิตอย่างเงี้ยทจนถึงจุดหนึ่งมันจะให้ความรู้สึกสนุกกับการกระทาคนนั้นเลยเกิดเรื่องสนุกอันใหม่แทนที่จะดูหนังสนุกก็ไปนั่งดูจิตสนุกกว่า นั่งดูจิตนั่งบังคับจิตนั่งพิจารณากลไกของจิตเดินพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณาทํางานก็พิจารณาลืมโลกไปเลยนะเนี่ยอันนี้คือความสุขอย่างอริยะเจ้านี่คือความสุขอย่างอริยะเจ้านะเป็นความสุขที่ไม่อิงอามิตรไม่อาศัยอามิตรบางครั้งใช้กับว่านิรามิตรสุขขั้นพิเศษสุขอย่างอริยะเจ้า ทำจนกว่าจะรู้สึกว่ามันสนุกนั่นแหละใช้ได้ก็ทำเรื่อยๆสอนเรื่อยๆอบรมเรื่อยๆขัดเกลาเรื่อยๆอย่างนี้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นฟังอย่างเดียวจิตมันจะได้เรื่อมไหม <Okay. S 1> ไม่ได้ต้องเอาไปทำจริงเท่านั้นเองนั้นคำว่าดับทุกข์ในความหมายพระ อ, องค์เนี่ยก็มีสองในคือหนึ่ง ทำให้ชีวิตนี้หมดความต้องการได้แล้วชีวิตนี้จะเย็นสงบไม่กระหายเมื่อไม่กระหายไม่ต้องการอะไรก็มันไม่รู้ว่าจะต้องไปทำอะไรเพราะมันไม่อยากได้เมื่อไม่ต้องไปทำอะไรก็ไม่ต้องลงแรงอะไรอยู่เฉยเฉยก็สบายดีนี่คืออยากหนึ่งนะไม่อยากทำอะไรจนถึงขนาดที่ว่าอยู่ร่วมโลกกับใครก็ไม่ได้เลยอดตายก็เลยต้องบวชดังนั้นใครก็ตามบรรลุอรหันต์อยู่ในโลกเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวัน ต้องตายก่อนก็เลยต้องบวชซะเพราะไม่ต้องทำกินจานลิ้ขอเขาง่ายดียังเป็นหนึ่งนะไม่เอาอะไรแค่แค่เลี้ยงขันมันไปเรื่อยอ่ะก็เหตุเกิดทุกนะโยมอย่าไปจับคู่ผิดนะไม่ใช่ตัณหาเกิดแล้วทุกทางใจค่อยเกิดทุกสามารถเกิดก่อนตัณหาได้ไมได้เพราะพัสสะกระทบจำได้ว่าบ้านไฟไหมเท่านั้นะ่ะ ทุกเกิดเลยพอสัมผัสกระทบได้ยินเสียงรู้ว่าอะไรคืออะไรเท่านั้นทุกเลยมีไหมใครโทรมากลิ้งเข้าหูแล้วเป็นลมเลยมีไหมญาติเธอเสียนะเนี่ยเป็นลมเลยยังไม่ทันเกิดตัณหาเลยประจำได้ก็ทุกเลยเป็นลมเลยทั้งนี้ก็คือสัมผัสแล้วสัญญาเวทนาเกิดละพอสัญญาเวทนาเกิดนั่นแหละต่อมาจึงเป็นปัจจัยให้มีตัณหา บางคนไปเข้าใจว่าพอปัสะเกิดตัณหาเกิดทุกข์ค่อยเกิดจริงทุกข์มันโผล่มาเกิดก่อนแล้วคือทุกขเวทนานั้นคำว่าเหตุเกิดทุกข์เนี่ยก็มีสองอย่างคือเหตุเกิดชาติกับเหตุที่ทำให้เราต้องทุกขทนทรมานบวุ่นวายไม่จบไม่สออิ้นต้องอย่างนุ้นต้องอย่างนี้นี่คือเหตุเกิดทุกข์ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เป็นได้สองในแบบนี้ ไม่ใช่เกิดทุกขเวทนาถ้าทุกเวทนาจะเกิดจะเกิดเมื่อมีผัสสะน่าจะพอสมควรกับปฏิจจสมุปบาทที่เหลือก็ญาติโยมไปทำความเข้าใจกับหลาพระ